ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวิชชาเรื่องกรรมวิบากโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่29สิงหาคม2524ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นบบัดนี้ค่ะ ไปเรียนทางเอกอีกที่จริงที่ปฐมโสเริ่มเรียนทางเอกแล้วแต่ก็ยังทวนอยู่นะนาสองร้อยแดสบไปก่อนจะไป เ, ะเข้าทางเอกเราได้เรียนสัมมาอริยมรรคองแปดกันมาแล้วแล้ได้อธิบายไปจบแล้วถ้าใครจะฟังทบทวนอีกก็จงฟังทบทวนบอกให้รู้ว่า มหาจัตารีศกสูตรนี้เป็นสูตรยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องนำมาศึกษากันอย่างสำคัญในกลุ่มอสโศก ข, ของเราจะต้องเอามาเปิดเผยเอามาศึกษาซับซ้อนมันเป็นสภาพเชิงซ้อนที่มีความลึกซ้อนมาก ซึ่งจะต้องรู้ด้วยการเปลี่ยนทั้งความหมายทั้งการปฏิบัติประพฤติและก็มีสภาวะธรรมรองรับเข้าไปรู้รู้รู้รสอด ร, ร้อยรู้จนกระทั่งถึงที่สุดเพราะว่าเป็นมักควิธีมหาจัตตารีสกสูนะั่นคือมักควิธีคือคกลไกหรือทฤษฎีแท้ๆของอริยมรรคองแปดซึ่งพระพุทธเจ้าท่นตรัสรู้สิ่งนี้ ที่เป็นทางปฏิบัติเพื่อความพ้นรอดเพื่อความถึงที่สุดทฤษฎีอันนี้แหละจุดเนี้ยสำคัญเป็นอันยิ่งใหญ่ที่แตกต่างจากฤษีทั้งหมดเป็นทฤษฎีที่ท่านค้นคิดได้ก็คืออันนี้อันอื่นที่ก็ปฏิบัติกันมาอย่างโน้นอย่างนี้มีศีลมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติตามศีลตามอะไรง่ายๆธรรมดาธรรมดานะั่นนะ่ะมันก็เป็นเรื่องลํารองที่เขาก็ปฏิบัติกันมาแต่ไหนแต่ไหน าศาสดาไหนลทัทธิไหนในไหนเขาก็ามีหลักเกณฑ์ปฏิบัติไปแต่ไม่ได้เคยกำชับกำชาว่าจะต้องเห็นในถูกเนาะว่าปฏิบัติอย่างนี้นี่มีศีลอย่างนี้นี่ปฏิบัติศีลอย่างนี้ปฏิบัติไปยังไงจะต้องไปอย่างรู้ควบคุมยังไงอะไรยังไงกันเข า, าไม่ได้มีบอกกันเหมือน ก, กันก็บของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วไม่ได้มีจุดที่จะบอกกันลงไปให้สําคัญว่าต้องระมัด ร, ระวังตั้งแต่ตัวที่มันมีบทบาทอยู่ในจิต เป็นความนึกคิดต้องควบคุมดูแลถึงทั้งก็สังกับปะบทบาทความวนในนั้นแม้แต่การจะพูดจาก็ให้ระมัดระวังดูแลควบคุมมาตั้งแต่จิตและมีลักษณะอย่างไรเมื่อเวลาพูดจามีมิจฉาทิฐิอย่างไรอย่างไรเป็นทุจริตอย่างไรมันเป็นสุจริตหรืออย่างไรเป็นสิ่งที่ถูกต้อง มาลงตัวที่สุดมันเป็นยังไรวาจาที่ถูกต้องหรือว่าความคิดนึกที่ถูกต้องสูงสุดมันจะเป็นยังไงการกระทําอะไรอยู่การงานการกระทําอะไรถูกต้องมันเป็นยังไงหรือว่าเป็นไปเพื่อความเจริญอยู่เจริญอยู่มันเป็นยังไงบริสุทธิ์สุดแล้วมันเป็นยังไงอาชีพกัมนกันอาชีพที่กระทาอยู่เพื่อลดละอยู่มันเป็นยังไง สูงสุดพ้นเป็นสมมาอาชีพหรือสมมาอาชีวะสูงสุดจะเป็นลักษณะอย่างไรจะมีขั้นตอนของอาชีพอย่างไรกันอีกบ้างสมมาวายามะเป็นยังไงสมมาสติเป็นยังไงมิจฉาเป็นยังไงมิจฉาวายามะมิจฉาสติเป็นยังไงอสองอันนี้ง่ายเพราะว่าขึ้นอยู่กับสมาธิธิฐเท่านั้นนี่ตัวสมาธิฐและมิจฉาทิฐินี่แหละตัวหลักใหญ่ หลักใหญ่เลยมิจฉาสิแล้วก็เห็นสัมมาทิฏฐิสแล้วต้องเข้าใจสภาพของสัมมาทิฏฐิทั้งสิบนี้สอดร้อยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสุดยอดตั้งแต่ตัวสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่งหรือรู้จักมิจฉาทิฏฐิข้อที่หนึ่งคือเรื่องทานเพราะว่าเขาทานกันาศาสนาไหนก็ทานแต่ทานอย่างไรเป็นสัมมาทานอย่างไรเป็นมิจฉา เขามีพิธีการมียิดถังมีพิธีการมีบูชาศาสนาไหนก็มียังไงเป็นการพิธีการเป็นบูชาที่ถูกต้องเป็นความหมายเขามีการบวงสรวงสังเว์ศาสนาไหนก็มีมีเรื่องของกรรมศาสนาบางศาสนาอาจจะไม่เห็นว่า ม, มีแม้แต่กรรมกิริยาก็ตามแต่แต่มากศาสนาเกือบทั้งนั้นแหละเขาก็ต้องรู้ว่ากรรมมีบาบมีบุญ มีผิดมีทบมีถูกมีชั่วมีดีอย่างไรละดีแน่ดีแท้โลกนี้โลกหน้าก็ต้องรู้ความจริงว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีโลกนี้มีพิสูจน์อย่างไรมีจะมีใครกล้าพิสูจน์จะมีใครชี้เห็นได้ว่าโลกนี้มีและจะชี้ให้โลกหน้าให้รู้ได้ด้วยเหตุผลสืบเนื่องกันอย่างไรแม่มีพ่อมี ไอแม่มีพ่อมีขั้นสูงขึ้นไปแล้วไม่มีศาสนาไหนก็จะสอนง่ายๆหสอนกันเี็วกว่ายิงศาสนาพุทธแล้วรนะบอกแม่มสอนว่าแม่มีนะพ่อมีนะแม่ก็คือผู้ที่คลอดลูกออกมานะ่ยพ่อคือผู้ที่สมสูออกมานะั่นคือพ่อแล้วก็เอามาไว้ในมิจฉาทิฐิหลักมิจฉาทิฐิสมาทิฐิอยู่ในหลักสําคัญที่จะปฏิบัติธรรมซะด้วย แล้วก็หมายเอาแต่แค่ว่าพ่อแม่ก็คือบุคคลตัวตนเราเขาพ่อคือตัวนี้พ่อคือแม่ก็คือตัวนี้ไอ้แค่นี้มันไม่ใช่หรอกเรื่องแม่มีพ่อมีที่ว่าในมิจฉาทิถิม ไ, ไม่ได้หมายเอาแค่นี้ยังต้องมาเรียนทําไมแค่นี้พ่อมีแม่มีแค่นี้อย่าว่าแต่คนรู้เลยสัตว์มันยังรู้เลยวันนี้เป็นแม่เป็นพ่อมันแม่มันจะลืมเลือนไปก็ตาม แต่คนน่ยมันรู้แสนรู้ดีอย่างงี้ไปสงสัยอะไรต้องเอามาเรียนอะไรในบทธรรมะชั้นสูงด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องแม่เรื่องพ่อคืออะไรท่านเน้นก็ไปหาธรรมะธรรมะที่ความเป็นแม่ธรรมะที่เป็นพ่อคืออะไรเราเป็นแม่เป็นพ่อได้โดยไม่ต้องไปสมสู่ไม่ต้องไปเป็นอย่างโลกโลกอย่างสัตว์โลกไปสมสู่กันแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นพ่อได้ชื่อว่าเป็นแม่และมีลูกออกมาไ อ, อย่างงั้น มันไม่ต้องเป็นไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องไปเป็นหรอกไอหน้าที่อย่างนั้นสัตว์เดรัจฉานไหนมันก็ทำเป็นได้มันก็เป็นอยู่แล้วมันก็มีอยู่ไม่ต้องศึกษาเราเลิกโดยซ้ำแล้วมาทำหน้าที่พ่อแม่ให้ถูกทุกคนมีหน้าที่พอ่อนาทีแม่ได้เป็นกรรมกริยาอย่างไรมีคุณธรรมอย่างไรเป็นแม่เป็นพอ่อพิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้ก็พิสูจน์ได้ แม่มีพ่อมีแล้วตจงเป็นแม่เป็นพ่อเราไม่ได้ขาดความเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้สร้างมนุษย์เราเป็นมนุษย์ที่สร้างมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นแม่เป็นมนุษย์เป็นพ่อเป็นสมณพราหมณ์เป็นผู้ที่รู้แม้กระทั่งในจิตที่เป็นโอปปาติกะนั่นแหะเป็นตัวสําคัญที่จะเป็นตัวเกิดแท้เป็นประธานสิ่งทั้งปวงเป็นจิตวิญญาณและมาทําให้เกิดอันนั้น ทำให้เกิดจิตวิญญาณอันนั้นน่ะจิตวิญญาณเกิดใหม่เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นผู้ประเสริฐมันเกิดที่จิตวิญญาณเป็นตัวรากเงาพิสูจน์จิตวิญญาณได้สัตตโอปปาติกะพิสูจน์ได้แล้วเปลี่ยนแปลงที่โอบปาติกะเปลี่ยนแปลงที่จิตวิญญาณนี้เกิดกันตรงนี้เกิดบรรลุเกิดตัดรอบเกิด เปลี่ยนจากปุถุชนเป็นพระอริยะจากพระอริยะแต่ละระดับเป็นโสดาสกิทานาคาอารหรันเกิดจริงจริงเปลี่ยนความเป็นเชื่อเขาเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนจิตเชื่อเขาออกมาจริงๆพิสูจน์ให้ได้มันเป็นความลึกซึ้งขึ่นมาตาปิตาเป็นแม่เป็นพ่อที่คลอดคลอดอะไรคลอดโอปปาติกะไม่ใช่ไปคลอดอ้เนื้อหนังมังสานี ไอเนื้อหนังมังสานี่บอกแล้วสัตว์เดรัจฉานมันก็ทํากันอยู่ทําได้มนุษย์ที่ไหนมันก็ทําได้ผ่านได้แล้วพาดได้แล้วผ่านมาหลายชาติหลายกับหลายกันนะีเพราะนบุคคลใดยังสงสัยเรื่องนี้อยู่นะยังไม่ต้องมาบวชก็ได้ถ้ายังสงสัยเรื่องนี้อยู่ไม่ต้องมาปฏิบัติก็ได้เพราะยังจะต้องไปยุ่งเป็นเรื่องยังสงสัยไอเรื่องสมสูในเรื่องที่จะต้องเป็นแม่เป็นพ่อแบบนี้อยู่ ก็ไปอยู่เป็นแบบเดริชานเขานุ่นเยอะแยะก็ เ, เป็นอยู่ม่ต้องมาปฏิบัติรรมาเรียนรู้ธรรมะอย่างนี้หรอกเพราะธรรมะของพระเจ้านี่มันเป็นธรรมะโลกุตระไม่ใช่เรื่องอ ง, งมงายงุ่มงามอยู่ก็ไอ้เรื่องแค่โนนเพราะอันพที่ยังมีเรื่องสงสยัยยังคล้องใจเรื่องแค่นี้แค่สมสูแค่สะัดเสียดสีแค่ จะต้องทำให้มันมีลูกมีเต้าแบบนั้นดอกมามันเรื่องถ้าไม่มีภูมิรู้ฐานรู้ที่จนพลสงสัยแค่นี้แล้วก็จะมาปฏิบัติทำเรื่องเรียนรู้ความรู้ชั้นสูงเป็นโล ก, กุตระขึ้นไปเนี่ยเราเป็นแม่เป็นพ่อชั้นสูงแบบนี้ไม่ได้เพราะเรามาเรียนธรรมะนี่เราจะมาเป็นแม่เป็นพ่อตัวเราเองจะเป็นลูกที่ดี ที่เราจะเรียนแล้วก็เกิดการเกิดใหม่นี่มาเรียนนี่มาเรียนเพื่อเกิดใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์โสมาเกิดเป็นอริยะมาเกิดใหม่เรามาเป็นลูกก่อนก็มาเรียนแล้วจนเราเกิดสัตว์โอปปาติกะคือจิตปิญญาณเราเกิดใหม่จริงๆเปลี่ยนเลี่ยนเปลี่ยนเปีย น, ยนพอเกิดแล้วเราก็จะกลายไปเป็นแม่เป็นพ่ออีกไม่ใช่แม่พ่ออย่างโลกโลกในฟังให้ดีถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยสมาธิเราต้องการอะไร มิจฉาทิฏฐิอยู่ก็พวกนี้พวกเนี้ยไอ้โลกก็อธิบายโลกลูกกลมๆโลกไอ้แบบโลกนี้โลกหน้าที่มันเป็นวนๆที่ไม่สามารถพิสูจน์ตายจากร่างนี้แล้วค่อยไปพิสูจน์ไอ้นั้นพิสูจน์โลกนี้โลกหน้าอย่างนั้นไม่ได้พิสูจน์ในโลกแห่งความนึกคิดจบตรงไหนก็รู้รอบบนพิสูจน์ในโลกแห่งวัจกรรมกล่าวออกไปแล้วคนอื่นรับเอาไปเกิดพยาบาทกันเกิดใช้หนี้กรรมกัน พิสูจน์ได้โลกนี้ขเขาอโหสิก็อโหสิกันไม่อโหสิก็พยาบาทกันอยู่นั่นถือเป็นหนี้เป็นสินกันอยู่นั่นกายกรรมเนี่ยไปทำดีกับเขาเขาตอบแทนเราบ้างไม่ตอบแทนเราบ้างพิสูจน์ได้การกระทำการงานอะไรเป็นผลดีไม่ดีพิสูจน์ได้โลกนี้และก็โลกนี้นี่แหละมันจะไปเป็นโลกหน้าถ้าระดับโลกนี้สเดี๋ยวนี้เราก็ดับพิสูจน์การดับถึงจิตนะ ดับแล้วก็หยุดแล้วเราดับเราไม่มีการต่อเราไม่มีหนี้แม้เราเป็นเจ้าหนี้เราก็ปลดปลงเจ้าหนี้คืนไม่ยึดถือเป็นของเราไอเรื่องลูกหนี้นะ่ะเราจะไม่ทาการเป็นลูกหนี้การเป็นบาปการเป็นอกุศลการขาดทุนเราจะไม่ทำเราจะทำแต่ส่วนกำไรทำแต่ส่วนดีเป็นส่วนเจ้าหนี้ และเราก็ไม่ยึดความเป็นเจ้าหนี้ด้วยพิสูจน์ได้พิสูจน์โลกนี้แล้วเราจะรู้โลกหน้าพิสูจน์โลกที่มันยังอยู่ย่นยอ่อโลกลงมาในวัตถะที่เล็กวัตถะที่ชัดเจนพิสูจน์ได้เกิดดับเกิดดับเห็นอยู่รู้อยู่ในปัจจุบันนี้ทีเดียวหยุดสงบสนิทตายสนิทเราก็รู้ก็เห็นอยู่ในนี้ เราจะไม่ให้วัจีเป็นทุจริตเกิดเราจะไม่ให้กายกรรมเป็นทุจริตเกิดเราก็สามารถดับได้ทำได้เราจะไม่ให้การนึกคิดสังกับปักเป็นทุจริตเกิดเราจะดับมันไม่เกิดเราจะให้เกิดให้เกิดเป็นดีเป็นกุศลเกิดกุศลจิตคิดนึกเป็นส่วนที่ดีเป็นส่วนที่ควร เราก็เป็นผู้ให้เกิดเราจึงเป็นตัวพระเจ้าศา ส, สนาพระเจ้านั้นผ่านศาสนาที่มีพระเจ้าบันดาลศาสนาที่มีพระเจ้าบันดาลนั้นเกิดมานานเกิดก่อนเกิดครองอยู่ในโลกมีอํานาจลึกลับหรืออานาจพิเศษที่เขายังไม่ทะลุเขายังไม่รู้อวิชชาอยู่ยังไม่รู้ว่าพระเจ้าคืออะไรหรืออานาจพิเศษคืออะไรเขาไม่สูจนไม่ไปถึงกรรม ศา ส, สนาพระเจ้าถึงได้รู้ถึงต้นเขากรรมและตัววิญญาณเนี่ยและในมนุษย์นี่มีวิญญาณเป็นเอกและวิญญาณเขาพระจิตพระวิญญาณเขาก็จึงยังอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เขาไปควบคุมไม่ได้ศาสนาพระเจ้าจับได้โอ้ก็ของใครของมันต่างคนต่างให้รับรู้แล้วก็ ควบคุมจิตวิญญาณของเราวิญญาณอยู่นอกตัวนอกตนไม่ได้มีอํานาจเหนือกว่าวิญญาณของแต่ละบุคคลถ้าเราสามารถให้คนในโลกนี้สามารถควบคุมวิญญาณของตัวเองดีหมดแล้วอํานาจในในโลกนี้ก็ไม่มีทางที่จะมาทําความเลวร้ายอะไรอยู่ในโลกในสังคมไม่มีไม่มีฤทธิม์ ม, มีแรงอะไรหรอกแต่เราไม่รู้ถึงเหตุปัจจัยของอํานาจกรรมและกิริยาอะไรต่างๆแม้แต่วิญญาณของมนุษย์มนุษย์ต่างๆก็มีจิตวิญญาณที่จะมีพลังออกไป พลังออกไปเนี่ยมันจากมนุษย์นะไม่ใช่ว่ามันมีพลังอยู่ข้างนอกข้างนอกไม่มีพลังอะพวกสุรภาโวนี่จะมีพลังพลังงานอะไรที่ออกจากเราไปไปตกไปแล้วมันกเสื่อมบ้างไม่เสื่อมบ้างเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่สามารถมาผนึกมันไม่สามารถมาผนึกอะไรกันได้และจะมาบาลามีรีบมีแรงอะไรตามที่เขาต้องการ ตามที่คิดว่าวิญญาณที่มันไปแล้วมันก็มีความต้องการที่จะต้องเป็นอย่างนงี้แล้วก็จะต้องไปมีแรงมีฤทธิ์มีอํานาจจะกลายเป็นอํานาจยิ่งใหญ่อันหนึ่งคืออํานาจพระเจ้ามันไม่มีหรอกอ่ะมันไม่มีเป็นไปได้อ่ะซึ่งได้พิสูจน์ได้ฟังแล้วอ่ะถ้าวิญญาณเหล่านั้นมันเป็นไปได้อ่ะมันก็จะต้องเป็นไปได้เป็นส่วนมากแล้วก็เป็นไปโดยที่เราจะจับพิสูจนได้ทีเดียวอ่ะ มนุษย์เนี่ยมันสัมพันธ์กันจิตวิ ญ, ญญาณของแต่ละร่างแต่ละคนมันก็สัมพันธ์กันมีความรักมีความอาวรอาไล่มีความระลึกถึง ม, ม, ม, ม, ม, ม, มีความจะต้องมาหามาพบกันถ้าวิญญาณเหล่านั้นมันยังเป็นฤทธิ์เป็นแรงเป็นเดชอย่างที่เขาว่ากันได้สามารถมีอํานาจมีแรงดนบันดาลมีแรงแสดงตัวอะไรได้พวกคุณก็จะต้องพบกับวิญญาณเหล่านั้นเกือบทุกคนหรือส่วนมาก เพราะว่าคุณจะต้องมีคนที่รักพ่อแม่พี่น้องญอาติโกโยติกาหรือคนที่รักกันเยอะแยะที่ตายจากกันไปแล้วเพราะตายจากแล้ววิญญาณเหล่านั้นมันก็จะต้องมาปรากฏตัวมาบันดาลมาแสดงอะไรต่อไรเพราะทุกคนมีทุกคนมีผู้ที่เป็นเพื่อนรักเป็นคู่รักเป็นพ่อแม่ที่รักเป็นลูกเป็นเต้าเป็นหลานเป็นเลนที่รักกันอะไรอาวรคิดถึงกัน อยากจะพบกันมันมีทุกคนเพราะฉะนั้นวิญญาณเหล่านั้นได้ตายจากกันอยู่ทุกคนก็จะต้องมาหาคุณคุณก็จะต้องพบนะก็เจ้าได้จเจอกันวิญญาณนั้นก็ต้องมาปรากฏตัวป่านนี้แต่ละบ้านแต่ละเรือนกะ็ต้องมีพิธีการมีอะไรอะไรรับวิญญาณกันให้หนวกหูไปเลยเพราะมันเยอะนะแต่นี้ส่วนจริงมันไม่มีไอ้ที่จะมีพิเลนพิเลนสักลายสองลายนะหายาก ที่ว่าเกิดพบวิญญาณซะอีกเนะ่ยวิญญาณมหามนโนนียากหายากที่สุดแล้วมันก็เป็นเรื่องพิเลนเป็นเรื่องไม่จริงเป็นอุปทานซึ่อุปทานนี่เกิดได้จริงเขาเรียนรู้ซ้อนลงไปอีกได้นะเรียนรู้ลงไปอีกได้ทั้งทั้งที่เราบางคนคนเนี่ยอยากพบอยากพบวิญญาณ น, นั้นอยากพบตายไปแล้วไม่ร้องห่มร้องไห้ามาหาโดยเธ อ, อยังงนังงี่เลยซ้ําไปยังไม่ได้พบเลย ไม่ได้พบอะอยากพบตายจากกันแล้วจะเป็นจะตายแล้วก็ไปเกี่ยวจะเที่ยวไปหาแต่หลุมศพอะไรเงี้ยไปร้องห่มร้องไห้มาหาบางซีอะไรไม่มีเจออย่างนี้เป็นตน้นมันเป็นเรื่องเครื่องพิสูจน์ยืนยันอยู่ว่ามันไม่จริงมันไม่มีมันไม่ได้แต่มันมีแต่มัน ม, มีไม่ดังดังที่เราคิดเราคาดแล้วเราเดากันมันมีไม่เหมือนเพราะฉะนั้นเลิกพูดกันได้ จะรู้เองต่อเมื่อคุณถึงจุดสุดท้ายคุณเกิดยานปัญญาอันแน่แล้วว่าอ๋อมันละเอียดสุขุมมันประณีตแล้วมันก็เป็นสภาพอย่างนี้หรือจิตของคุณอยู่ในจิตของคุณเนี่ยนะแล้วมันก็ตกเนี่ยคุณฝันนี่นะจิตของคุณก็ตกฝันมันก็เป็นสภาพของคุณเองนะมันไม่เป็นฤทธิ์เป็นแรงอะไรกับใครความฝันของใครไม่มีสามารถเดี๋จะไปบันดาลบันดลให้คนนั้นเดือดร้อนนั่นนี่ไม่มี นั่นเป็นแต่จิตนะคุณฝันนี่เป็นแต่จิตลองคิดดูแค่นี้ก่อนในขณะที่คุณฝันจิตของคุณโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขในคุณตอนฝันเนี่ยคุณเป็นทุกข์เป็นสุขของคุณอยู่งั้นอ่ะโอ้ยเดือดร้อนก็เป็นอย่างงั้นสุขอารมณ์ก็เป็นอย่างงั้นอยู่แต่ตอนฝันเนี่ยฉันใดก็ฉันนั้นติจามันเหลือแต่วิญญาณมันไม่มีไอตัวรูปก้อนแท่งเนื้อเนี่ยไอ้ฝันของคุณมันไปทําอะไรใครไม่ได้ในโลก มันจะไปแสดงตัวให้คนรู้ว่ากําลังฝันเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้และจะไปทําให้คนนั้นคนนี้ยังง่นอย่า ง, งนี้โอ้ยมันไปปลุกเขาทั้งนั้นนะฝันไปลบลาข้ า, าฟันอยู่ในเรื่องฝันมันจู้เยอะเยะแย ะ, ยะเรื่องมากแต่ไอตัวฝันฝันนั่นแหละจิตไอตัวฝันนั่นแหละจิตแล้วมันไปทําอะไรใครเขาได้คุณคิดดูมีทุกคนเพราะคุณเหลือแต่จิตนั่นแหละจิตตัวฝันนั่นแหละ เป็นอย่างนั้นอ่ะมันไปทําอะไรดิษแดงอะไรกันไหมแต่เป็นทุกข์มันสูงมันเดือดมันร้อนมันขึ้นสวรรค์ลงนรกบา้บาๆบอๆอยู่กับคุณอยู่อย่างนั้นแหละนั่นแหละภาวะภพนั่นนหะเป็นอย่างนั้นอ่ะและเป็นอะไรได้สารพัดสารเพยตามที่คุณอุปาทานคุณยึดไว้คุณหลงบ้าหลงบอไว้เป็นสารพัดทุกข์ก็อยู่ในนั้นคุณเป็นจริงนะในขณะที่คุณฝันคุณมีดิษแรงอะไรไปทํามันอย่างไรคุณไปแก้อะไรมันได้ตอนที่คุณฝัน่ะ โอ้บางทีนี่แม่เจอไอ้โจรต่อสู้ก็โจรสู้โจรไม่ได้โจรบีมคอจะตายดิ้นก็ไม่รู้ได้ทุกอะไรคุณแก้ได้ที่ไหนคุณแก้ไม่ได้คุณเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นจริงๆของคุณะจิต ค, คุณเองคุณแก้ได้ที่ไหนคุณไม่มีฤิมีแรงนั่นแหละเวลาคุณเบือแต่จิตมันก็เป็นอย่างนั้น่ะ มันไม่มีสุรภ า, าวะไม่มีแท่งกอนไม่มีอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่มีสามารถที่จะไปทําอะไรจะไปดนบรรดานโน่นนี่จะมาให้คนรู้จะไปที่ยังโง่ยังนี้ขี่โม้ทั้งนั้นแหะไม่จริงนะโดยเฉพาะจิตที่ไม่มีอะไรเลยนะมันมีอีกจิตที่สามารถควบคุมจนมีสติสัพชัญญะหรือจนมีแรงฤทธิจิตของเราเนี่ยรวมเป็นสมาธิ เป็นจิตเป็นอำนาจเป็นอะไรใดขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะใช้จิตนีให้เป็นไปง้นใช้ได้ทำได้มีได้เหมือนกันนะจะว่าไม่มีก็ไม่จริงแต่มีได้แต่ว่าพูดที่ทำจิตอย่างนี้แล้วจริงจะมั่นคงแน่นอนเป็นจิตของพระอริยเจ้าเป็นของดีเป็นของดนะีแล้วก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยง คุณพิสูจน์ได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ว่าคุณสามารถที่จะรวบรุมสติสัพชัญญาแล้วก็จะทำให้จิตนินาสามารถรู้สามารถออกไปอย่างเป็นเดรัจฉานวิชาหน่อยนะออกไปรู้ไอโน่นไอนี่อะไรตัเนี่ยคุณทำได้ในในส่วนหนึ่งในขณะหนึ่งที่มีพลังอย่างคุมอย่างดีเราต้องฝึกไว้เสมอกำลังอะไรลดหย่อนอ่อนหน่อยก็ไม่สามารถจะทำได้แล้วสามารถจะไปรู้ได้นะไปรู้นอ ก, นอ ก, นอกตัว มีพลังงานรวมเป็นอำนาจรู้ไปรู้ได้อย่างที่เป็นเดรชิชานวิชาทำได้แต่ไม่เที่ยงนะเสื่อมได้เป็นความสามารถชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อวิญญาณของใครก็ตามเมื่อวิญญาณของใครสามารถที่จะทำนี่คุณเวลาคุณจะทำนี่คุณทำต่อเมื่อคุณมีดินน้าไฟลมแท่งนี้มีสุรภาโว คุณจึงสามารถที่จะทำจิตแล้วก็ให้เป็นจิตเป็นแรงอะไรได้นะทําได้เป็นแรงบรรดาลก็ได้เป็นแรงที่จะไปเห็นก็ได้เป็นอาเทศนาปาฏิหารเป็นแรงที่จะเป็นอิทธิปาฏิหารก็ได้นะ่ได้จริงๆแต่ต้องอาศัยรูปนามขันหานี้และไม่เที่ยงไม่ภาคเพียรซ้อมฝึกเหมือนนักรบเหมือนนักมวย เหมือนกันเลยกับ น, นักมวยในขณะที่กําลังหนุ่มกําลังแน่นนะชกดีมีกําลังทําได้ริดแรงเต็มที่พอแก่หน่อยไม่ได้หรืออย่าว่าแต่แก่เลยนักมวยที่หนุ่มลึกแต่นนี่แหละไม่ฝึกซ้อมนะชกไม่ได้ชกไม่เก่งริดแรงอ่อนถูกค้อนอกตายคาเวทีชันใดก็ชันนั้น เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ก็ดีอาเทศนาปาฏิหาริย์กดีคุณต้องฝึกซ้อมอยู่จริงๆฝึกซ้อมแล้วก็เสื่อมได้ตามอายุการอีกแหละตามคุณจะใช้รูปนามขันธ์หถ้าไม่มีรูปนามขันธ์หไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาตายแล้วคนนี้จะให้มีฤทธิ์มีแรงเป็นหลวงพ่อโตหลวงพ่อบิ้มหลวงพ่อจวกหลวงพ่อเจี๊กอะไรก็ตามใจฮะที่บอกว่าเก่งนักหนานในตอนเป็นๆ เ, เนี่ยหมดไม่มีไม่มีฤทธิ์ตายแล้วไม่มีฤทธิ์ เพราะฉะนั้นจะไปเข้าใจวอาเป็นอํานาจไอ้เทวดาเทวดโดอะไรบันดามันเดินไปสิงนั่นอยู่แล้วก็แหมท่ทาอย่างง้นอย่างงี้ไม่มีฟังดีๆไม่มีริษแรงเพราะไม่มีสุรภาโวสติมันโตไม่มีสุรภาโวไม่มีสติมันโตไม่มีเพราะจะไปตามอําเภอของพลังงานจิตอย่างนั้นไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร ไม่มีริทมีแรงอะไรเพมันจ ะ, จะมานั่งเป็นของวิเศษถาวรมันเป็นเรื่องของความปลงเพอของคนคนมันสามารถพิสูจน์นี่พิสูจน์อาทศนาปฏิหารก็พิสูจน์ได้พรารู้สีเขาเล่นเก่งแบบาศาสนาสมัยโบราณาศาสนาพระพุทธเจ้าเธอก็มีผมก็มีผมก็เล่นเล่นเก่งเล่ น, ล น, ลนได้ได้และพัฒนามันก็ได้เท่าที่จะได้คนสามารถเก่งได้โดยการพัฒนาพลังจิตเป็นอิทธิปฏิหารอันสูงสง่ง เป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์อันสูงส่งยังไงมันก็สามารถทําได้เราก็ทําได้ถ้าเราเองภาคเปลี่ยนชาตินี้ไม่ไดากชาติหน้าเอาอีกไม่ได้อีกร้อยชาติทีฝึกมันเข้าไปทีก็เราจะเอาอ่ะมันก็เก่งอ่ะเก่งได้แต่ไม่ถาวอและไม่มีคุณค่ามากทรมานตนเปล่าๆไม่ได้มีประโยชน์กับสังคมมนุษย์อะไรนักหนาแล้วยากยากไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน ยากแล้วก็ไม่ได้แข น, นั้นนี่ไม่เข้าเรื่องอะไรจะถ่ายทอดเรื อ, อไว้ให้แก่มนุษย์โลกก็ไม่ได้ให้มนุษย์เอาไว้เรียนอะไรอีกก็ขนาดตัวเราเองยังแย่เลยแล้วจะถ่ายทอดมนุษย์ให้มนุษย์เป็นอันนี้ได้นนะนั่งสอนอิทธิปฏิหารนั่งสอนอเทศนาปฏิหารแก่พวกคุณนี่นะมาสักหมื่นได้สักฆ้ากระบุญได้สัก10บกระบุญ มาสักแสนนี่ได้สักร้อยก็ บ, บุญไม่ได้หรอกร้อยก็ไม่ได้ที่จะได้อเทศนานปาฏิหาร อ, อิทธิปาฏิหารเนี่ยยากมากแล้วสอนไปทําอะไรได้ไปแล้วก็ไม่ใช่วดิบดีอะไรนะไปช่วยเหลือเผือไฟอะไรใครได้นักหนาก็เปล่าเลยไม่มีคุณค่าอะไรแก่มนุษย์โลกอะไรนักหนาเลยจึงไม่ใช่เป็นวิชาที่ควรสนใจอะไรจะบอกว่าไม่จริงก็ไม่ไม่ใช่ก็จริงก็เป็นได้ แต่ไม่มีคุณค่าสูอ้อเทศนาปาฏิหารไม่ได้อเทศนาปาติหารที่มีคุณค่าที่มีสุจริตที่มีกุศลอกุศลก็รู้ฮะน อ, น อ, อนุสาสนีปาติหารที่มีสุจริตมีกุศลอกุศลสู้อันนี้มนไม่ได้คําสอนที่มีฤทธธรรมอย่างนี้สิทําในใจอย่างงี้ทํากายอย่างนี้ทําวจียังงี้ทาอย่างางี้แล้ว เราก็สบายสังคมก็สบายแล้วสอนได้มากด้วยพิสูจน์ได้เลยเนี่ยสอนได้มากด้วยพิสูจน์ได้เลยผมพิสูจน์อยู่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องถึงพระพุทธเจ้าพิสูจน์สอนได้มากด้วยสามารถลดละกิเลสลงไปสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ดีช่วยเหลือเฟือฟ้องฟายกันสร้างสรรค์กันอยู่กันอย่างเป็นสุขนะ รู้จักความพอดีความเกินไม่เอาไร่แกนสารเฟอร์เฟอรไปไม่เอาไอขาดหน่อยไม่พอเขายันขึ้นช่วยเรือเฟอร์ฟายกันยังงี้ดีแล้วพระพุทเจ้าถึงได้เรื่องสำคัญได้ความเป็นเปนเอกได้จุดพิเศษที่แท้ของความเป็นมนุษย์เอามาใช้จึงยืนยันอันนี้ ท่านไม่สงสัยเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์ชันใดท่านก็ตราบอยู่ว่าเฮลุสีมนทะมนธารีฤษีขันธารีฤษีมณิกาอะไรนี่สอนกันอยู่ท่านยกตัวอย่างถ้าใครอยากจะเรียนก็ไปเรียนแต่ท่านบอกไม่พิเศษสู้อาเทศนาปาฏิหาริย์เอ้ยสู้อนุสาสนีปาฏิหาริย์นี่ไม่ได้ท่านสอนอันนี้ พออย่าง้ดีกว่าอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าท่านพระโพธิรักนี่ก็รู้พระโพธิรักษนี่ก็เป็นพรอโทษโพธิรักนี่ก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เสื่อมหมดแล้วบอกแล้วว่ามันเสื่อมเหมือนนักมวยที่วางแขวนนวมมาแล้วเหมือนโจรหรอยะแขวนนวมมาต้องไม่รู้กี่ปีแล้วก็ไปผูกเขาบ้าายุขึ้นเวทีแล้วโดนก็าซัดเอาแบนแต๊ะบนเวทีเสียชื่ออุตสาห์ไม่ แพ้เข้ามาตั้งนานไปถูกหลอกยังไงไม่รู้โจหลุยอะ่ะสุดท้ายเขาขึ้นเวทีเขาจนได้ให้เขาไปบอมมาบนเวทีก็มันยังไม่ได้เรื่องอะไรแล้วก็ผะโถมันเรือสุรภาโวร่างกายตัวก็สุดโทรมแก่แล้วยิงอุตส่าห์ไปบ้าอายุบาจีเป็นหลงเป็นทา่านนาเงินทานเก่งกาดอะไรไม่รู้ขึ้นเวทีเพให้เขาเจียนเล่นแทน่นี้นี่มันเป็นตัวอย่างมันเป็นครูมันเป็นอะไรให้เราเรียนตลกไม่เข้าเรื่อง ถ้าเรารู้แล้วขนาดเป็นนักมวยเนะี่ยบอกแล้วมันจะต้องอาศัยกับทั้งรูปนามขันท่าแก่หน่อยก็ไม่ไหวแล้วแม้ไม่แก่หรือการฝึกซ้อมนะเรียนรู้ขมัดหม่งขมักคเม่นอยู่มันยังไม่สามารถที่จะรักษาความแข่งไปได้ถาวรเลยนะยังเป็นนักมวยที่แข่งไปได้ยากเลยนะขนาดนั้นน่ะ พิสูจน์ไปเลยได้เลยนักมวยคนไหนก็คนนั้นเหมือนกันอย่างนี้เหมือนอย่างนี้เลยหลักนี้เลยเป็นไปไม่รอดเป็นไปไม่ได้ไม่ถาาวอนได้ช่วงนึงนิดเดียวแล้วไม่มีคุณค่าอะไรมากมายเพราะงั้นไม่เอาอะแต่ศาสนาพระเจ้านี่อนุษาสนีย์ปฏิหารเป็นได้มากเป็นได้นานยิ่งแกยิ่งสุขุมยิ่งประณียิ่งลึกซึ้ง ยิ่งมีฤทธิ์มีอํานาจมากยิ่งแกเนี่ยไม่ขึ้นกับสุรพาโวอาจจะว่าไม่ขึ้นสักทีเดียวก็ไม่ใช่ขึ้นบ้างแต่ก็มีสติสัพชัญญะเต็มอยู่ได้และมีฤทธิ์แรงที่ไม่จําเป็นจะต้องไปเกี่ยวกับสุรพาโวอะไรมากมายไม่ต้องไปใช้การเอามือไปตีเขาเอาอำนาจรวมอะไรอะไรขึ้นไปจนเจิเกินการมันเป็นสมาธิถาวร เป็นจิตที่ล้างกิเลสออกประเภทเหมือนอย่างแก้วน้ําขุนแล้วหยิบก้อนเศษความขุนนั้นออกมาออกมาไม่ใช่กดความขุนไว้และเอาน้ําใสไปใช้เสร็จแล้วมันก็ยังอยู่เป็นป น, ปนความขุนก็ยังมีกวนเมื่ อ, อไหร่มันก็ยังขึ้นมาได้ง่ายๆอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็ขึ้นกลับมาอย่างเก่าวได้ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการหยิบทุลีเศษกิเลสออกไปจนสะอาดและถาวรยืนนาน อย่างนี้เป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคนพบสภาพพวกนี้ได้จึงเอาสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดนี่มาสอนผมพูดนี่ผมยืนยันว่าผมพูดตรงกับพระพุทธเจ้าอาจจะไม่ตรงกับอาจารย์เกจิอาจารย์ปา่าอาจารย์ที่สอนมาก่อนผมอีกหลายร้อยหลายพันคนอาจจะไม่ตรงผมไม่ได้เอามาจากตำราเล่มไหนมาพูด ผมไม่ได้ไปควักเอาความรู้ความคิดของใครมาพูดผมขอบอกว่าผมพูดของผมเองตอนนี้ผมเชื่จะประกาศสยังอภิญญามากประกาศความเป็นปจเจกมากขึ้นเพราะเป็นความจริงถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องประกาศปฏเจกประกาศสยังอภิน ญ, ญา แต่ก่อนนี้เขาว่าผมพูดเองผมก็ต้องจำยอมสยบอยู่ยังไม่พูดอะไรมากกว่า น, นั้นจะไปอวดเป็นปัดเจกเป็นปัดโ น, นยังไม่ได้บ้าเลยขณะนั้นเขายัดเยีด ย, ด, ยดให้เป็นศาสดาผมพูดเองผมก็ขอยืนยันว่าไม่ใช่ของผมเองอย่างที่เป็นเองเองโดยไม่มีที่มาถึงแม้เองนี่ก็เป็นคำพูดที่ผมได้เรียนมาจากพระสมมาสัพพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขอยืนยัน ผมยังไม่ได้อวดเก่งอวดกล้าอะไรจะกลายเป็นาศสาสตราที่ตัดสรู้เองทฤษฎีของฉันเองเองไม่ผมเป็นเชื้อเผ่าของพระพุทธเจ้าผมเป็นเชื้อเผ่าของพระพุทธเจ้าถึงจะรู้อย่างไรผมก็ไม่รู้เกินพระพุทธเจ้าและเป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่มาผมมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นที่มาพระพุทธเจ้าเป็น แบบอย่างพระพุทธเ e จ้าเป็นที่พึ่งหลักเดียวกันขอยือนยันและยืนยัดอย่างนี้ไม่ได้นอกไปจากนี้ผมไม่ได้สูงไปกว่าพระพุทธเจ้า e. ผมยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า e. ผมยังเป็นสาวกพระพุทธเจ้าผมยังเป็นจะสัมมาอย่างไรก็เป็นสัมมาสาวกสัมมาสัมพุทธสาวกไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเจ้าเองผมยังไม่ได้เป็นเจ้าเอง น, นะ ใครจะมาแกล้งแดกดันประชดประชันผมว่าผมเป็นศาสดาผมเป็นนั้นเป็นนี่มันเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องปากเขาเป็นเรื่องความเห็นของเขาเป็นเรื่องความคิดอ่านของเขาเขาเป็นคนพูดเขาเป็นคนทํำเขาเป็นคนจับมายัดให้ผมเองผมไม่ได้เป็นผมเป็นสาวก เพราะฉะนั้นคําพูดคํากล่าวแม้ความรู้ที่ผมได้มาเหล่านี้ได้มาจากการสืบทอดผมเป็นกรรมพันธ์ของพระพุทธเจ้าผมไม่ใช่เป็ น, ปนตัวเจ้าซะเองแม้พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์ใดก็ตามท่านก็เป็นเผ่าพันธ์ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาทั้งสิ้นเมื่อตราบที่จะตั้งตัวเองหรือว่าปฏิญญาณตนเป็นพระพุทธเจ้าในรอบหนึ่งก็หมายความว่า รอบนั้นเป็นยุคการที่ท่านสั่งสมบุญไปพร้อมพรั่งแล้วมีคุณธรรมมีความวิเศษของท่านพร้อมแล้วเท่าเทียมกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแล้วถึงกาลายุคที่ท่านจะออกมาประกาศเป็นเอกก็เป็นเอกอันเท่าเทียมกับพุทธเจ้าที่เป็นเอกองค์ใดๆเท่ากันก็ถือว่าเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นจึงลืถือว่าเป็นเอกสุดเป็นเจ้ามีความสูงพร้อม เสมอกันเป็นพุทธเสมอกันเป็นเจ้าพุทธเจ้าเสมอกันท่านก็ประกาศได้ถึงกาลยุคนั้นแต่ผมประกาศยังไม่ได้ผมยังไม่เป็นยังไม่ถึงประกาศเข้าไปก็เหากินหัวตายไม่ใช่เหาด้วยมันมันลายการก็เหาเลมันบาปตายมไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนหลงผมยังเป็นคนที่มีสติสัพชัญญาปัญญาแต่ก็มีหลายอย่างที่ เกินกว่าที่คนแม่ยุคการนี้รู้ซึ่งผมรู้เองมีเองคนอายุการนี้ไม่ไม่มีใครรู้อย่างผมรู้เป็นปัจเจกผมรู้อยู่คนเดียวเป็นความรู้ที่ผมรู้อยู่คนเดียวอาจารย์นี่สอนมาก่อนผมอีกเกิดมาก่อนผมอีกเป็นร้อยปีพันปีก็มีก็ไม่ได้รู้อย่างที่ผมรู้ ความรู้ที่ผมรู้นี่ไม่เหมือนอาจารย์เหล่านั้นนะแต่ผมก็ข อ, อยืนยันว่าแม้สิ่งที่ผมรู้เอามากล่าวเอามาพูดออกมาประกาศออกมานี้ก็ไม่ใช่ความรู้ที่ผมเองได้มาเด้อเดอลอยมาจากลมนึกคิดเอาเองดนเดาไม่ใช่มันไปนกรรมพันเป็นบา ร, รมีเป็นบุญที่ได้สั่งสมความรู้นี่มา ไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวรับทรัพย์มาตัมาตั้งแต่ทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมากหลายจนกระทั่งแน่นจนกระทั่งสามารถที่จะมีเชื่อมมีเข้าอยู่ทุกอย่างเสื่อมความรู้ก็เป็นสังคตรธรรมแต่มันเสื่อมแต่ถ้าเผื่อว่าทาให้มันแน่นหนาะมันก็แน่นหนาะเสื่อมยาก เพราะนี้จึงจําเป็นที่จะต้องทําให้มากความรู้ทําให้มากคนจะไม่ต้องกลัวแล้วคุณจะมีความรู้ขนาดไหนไกลัวมันจะไม่เป็นพระอาหารหันต์กลัวจะไม่เป็นนิพพานเพราะว่ามันไปติดความรู้แล้วมันก็เลยสลายความรู้ไม่ออกอย่าไปกลัวคุณวางเมื่ อ, อไหร่ก็ได้เมื่อคุณสะสมเงินทองไว้ตั้งหลายล้านล้านล้านล้านเป็นตั้งหมื่นล้านเป็นล้านล้านถ้าคุณมีฤิษัทแรงพอจริงๆคนก็สละหมื่นล้านนั้นึุบ ทีเดียวได้ทันทีพระอาหารหันต์เป็นอย่างนั้นอะไรจะมีเท่าไรเท่าไรก็ไม่มีปัญหาจะมีของดีมีของวิเศษมีความเก่งกาจเข่งกล้าแค่ไหนเมื่อจิตเป็นตัวอัดอรหันตผลแล้วปลดปล่อยแล้วมันให้ไปแก่โลกได้ทันทีคืนก็ไปได้ทันทีมันไม่เอามาเป็นของเราเอาไว้จะเป็นความดีงามเป็นความวิเศษยิ่งใหญ่เป็นกุศลอันมหาศาลขนาดไหน โกยทิ้งปล่อยให้แกโลกได้ทันทีคุณไม่ต้องกลัวหรอกแต่คุณสร้างอากุศลสร้างทุจริตนั่นสิมันเกี่ยวกับผู้อื่นเหมือนกับเป็นลูกหนี้ดังที่กล่าวแล้วคุณจะบอกว่าเลิกความเป็นลูกหนี้คนอื่นเขายิ่งไม่ใ่พระอรหรันคุณไปกล่าวกับพระอรหรันร อ, อ, อรหันอาจจะโอโหสิคุณนะบอกว่า ผมเป็นหนี้ท่านอยู่ผมเป็นทำบาป ท, ทำเวรกับท่านท่านอโหสิเถอะพระอรหันต์ท่านอโสออาหาอโสิแล้วตั้งแต่ปกติไหนๆนัๆ่นก็อโหสิท่านไม่ถือท่านไม่คิดเป็นลูกเป็นเจ้าหนี้ใครอยู่หรอกคนไปขอกับพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ก็ได้แต่ไอคนที่มันเป็นเจ้าหนี้อยู่นี่ที่มันยึดมันถือกันนี่มันเป็นอรหันต์เหรอมันไม่ใช่อรหรันต์แล้วมันก็เกิดใช้หนี้กันไปนอีกกี่ชาติละ ก็มันยังก็ยังเกิดรู้แต่พู้ที่ยังเกิดอยู่ทางนั้นนะไอ้ทีมันเป็นเจ้านีไม่ยอมปล่อยอ่ะยังแต่พูดที่เกิดอยู่ทางนั้นอ่ะพูดยังไม่ใช่เป็นอรหันต์พระทอแล้วมันจะไปจกกันตรงไหนถ้าพระอรหันต์ท่านบอกว่าไม่ไม่อโหสิให้คุณอ่ะไม่ปล่อยอ่ะแล้วถ้าก็ตายจากไปนะถ้าก็ไม่เกิดอีกใช่ไหมถึงฉันไม่อโหสิมันก็ไอ้ศูนย์อยู่ดีถ้าบอกไม่ไม่ไม่อาภัยอ่ะยังยึดถือสมมุติว่านะที่จริงมันคานแยงกันอยู่ในสัจจะพระอรหันต์ว่า ไม่เอาไม่ยอมปล่อยให้คุณอ่ะยังเป็นลูกนี่ก็เป็นลูกนี่อยู่เนี่ยต้องใช้นี้นะไม่ใช้ไม่ยอมถึงแม้พระอรหันต์จะบ้าดีเดือดอย่างนี้นี่ที่จริงมันไม่เป็นจริงพูดแกล้งพูดไปด้วยโวหารเท่านั้นน่ะพระอรหันต์ก็ยอมอภัยย ก, ยกทุกอย่างนะ <S <s แต่แม้พระอรหันต์จะว่างนี้พระเดียวอรหันต์นี่ก็ต้องสูญใช่ไหมตายแล้วก็ไม่มาเกิดอีกใช่ไหมแล้วจะไปใช้นี่กันตรงไหนอีกล่ะก็แม้เราจะเกิดอยู่เ <s> พราะเรายังไม่เป็นอรหันต์มันก็ไม่ต้องมีเจ้าหนี้อยู่ดีเจ้าหนี่ก็ตายไปแล้วอะ <S <s ่ะมันก็จะไป ม, มีท่าอะไร มันไม่สัจจะอย่างนี้มันลงตัวเองแต่ผู้ที่ยังไม่เป็นอราหันต์มันก็ต้องเกิดแล้วมันก็ไม่ยอม อ, อภัยมันก็ยังยอมมันก็ยังไปที่ปากพูดคนในปากพูดเออเอโหสิอโหสิถึงพูดก็ไม่จริงอาจจะลดเบาคลายบ้างจริงๆคนมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเนี่ยบอกอภัยแล้วอภัยแล้วเออเอาเถ้ายกให้ไม่เราไม่ใช่พูดด้วยจิตอรหันต์ไม่ใช่พูดด้วยจิตอราหันต์ไม่อะ ไม่เชื่ออัตมาขอให้พิสูจน์ก็ได้คนนี้นะเราเคยไปตีหัวก็ทีงแล้วนะพอตีแล้วเสร็จก็ทีหลังก็เลยไปขออภโทษบอกขออภัยเถอะยกโทษให้เถอะคนนั้นก็อาจจะบอกเอออ่าแล้วไปยกโทษให้นะไม่เชื่อลองสิทีหลังไปตีอีกสิตีอีกสิ โ ก, กรธกลับรองไม่โกรธอย่างเก่าด้วยจะโกรธกว่าเก่าน้อยเอาพายแล้วมันยังมาตีอีกนั่นคือเชื้อเก่าที่เคยถูกตียังยึดอยู่แล้วก็บวกความโกรดนั้นอีกไปเอามาลองมาลองเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นเอามาไปตีอีกทีรับรองเลยจะเอาไอ้ที่อาพายแล้วนั่นมันกลับคืนมาไม่ได้เอาพายหรอกบวกเข้าไปกับไอ้ที่ตีใหม่เนี่ยแล้วก็จะโกรธยิ่งกว่าเก่าเอามาลองมาลองใครก็ได้โกรธกว่าเก่า ท, ทั้งที่บอกว่าอาพายแล้วนะให้คุณไปขออภัยก่อนนะแล้วเขายกให้จริงๆด้วยใครที่บอกเอ้ยผมไม่ถือสาเราก็อภัยหมดแล้วจริงๆไม่ได้อภัยด้วยจิตอรารหันไม่จริงหรอกจะบอกให้แต่ก็เบาบ้างแต่ถ้าคิดผิดแล้วนะไปยึดถือมานะที่อภัยให้นะถือมานะอาจจะอภัยตัวนั้นแต่ถือมานะข่าอาภัยแล้วมาตีค่าอีกแทนที่มันจะเป็นบุญคุณมันถือบุญถือคุณถือมานะไว้มาตีอีก ก็เอามานะที่จริงก็คือตัวเก่านั่นแหละคือตัวที่ถือว่าเราได้ให้ที่จริงไม่ได้ให้มันเป็นภาวะซ้อนลงไปอีกมันเป็นการยึดถือที่สูงส่งขึ้นไปอีกกลายไปเป็นกิเลส ช, ชั้นมานะก็เลยยิ่งโกรธกว่าเก่านี่พิสูจน์ให้ฟังนะพิสูจน์ให้ฟังไม่ต้องไปพิสูจน์กันชาติหน้ารสชาตินี้ก็ได้ไปพิสูจน์ชาติหน้าทาไมพิสูจน์ชาตินี้ แต่ถ้าพระอาหารหันแล้วท่านปลดปล่อยหมดเลยท่านอภัยจริงๆตีอีกตีอีกท่านก็เออย่างเก่าอะไรท่านจะไปถือสาอะไรท่านก็รู้ความจริงแล้วไอ้คนชั่วนี่มันก็ทําชั่วจริงๆริงนะมันทําได้ถ้ามันทำซะจนกระทั่งสุดท้าย อ, อย่างพระโมคคลาอ้าวตายก็ตายตายให้แก่มันเลยยอมตายให้แก่มันด้วยซ้านั่นเป็นบุคกลกาธิฐานที่สูงสุดพระอาหารหันท่านไม่ถือสาท่านให้สุด ท, ท้ายถ้าบอกว่าจะทวงหนี้ทวงศินถ้าเผื่อว่ามันเป็น ให้มันไปเลยถ้าราะว่ามันไม่ใช่สัจจะที่จะต้องให้ถ้าก็หนีถ้าให้มันก่อบาปอยู่อีกทำไมมันทำบาปของมันมันตีเรามันทำร้ายเรามันทำทุจริตกับเราบาปของเขาถ้าไม่จะหนีเวรนี่กรรมถ้าก็หนีไม่ให้มันทำตัดโอกาสให้แก่มันใครจะบอกว่าคิดกลัวคิดคลาดหนีทำไมเขาจะตีวิ่งหนีเขาจะฆ่าจะแกงทำไมวิ่งหนีเออโธเขาจะว่าไงก็ช่างเขาเถอะ เรื่องอะไรเราจะอยู่ให้เ้าตีอยู่ให้เขาทําเลวอยู่ให้เขาทําร้ายเราไม่พระอริยะธันรู้ธัน ต, ตรังตรงตรีกนี้ไม่ให้เขาทําเลวไม่ให้เขาทําร้ายไม่ให้เขาทําบาปมันเป็นบาปเป็นกรรมนะพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าถ้าอรหันนั่นอาหัวสิหมดแล้วยังไม่มีนี่เวนทีจริงมันกลับยิ่งเป็นนี่นะ อ่าอันนี้เป็นความซ้อนนะเป็นความซ้อนพระอาหารหันต์นี่นะโอโหสิแล้วเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าคนนั้นหมดหนี้เวนคนนั้นยิ่งรับเอาไปเต็มมันกลับกันอย่างนี้คนพระอาหารหันต์ท่านอโหสิแล้วนี่กลับเต็มถ้าคุณเองไม่สร้างบุญไอ้หนี้หรือบุญหรือบาปบุญอะไรนี่มันไม่มีเปลี่ยนแปลงมันไม่มีสลายเป็นแต่เพียงว่าท่านปล่อยพระอาหารหันต์ท่านปล่อยส่วนของท่านเท่านั้นเอง บาปของเราก็เป็นบาปอย่นั่นแหละบาปของเราไม่เป็นมันก็เป็นบาปอยู่ท่านเองท่านยิ่งท่านไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยเราแบกบาปของเราเต็มลำมันซ้อน เ, ออเช่นว่าถ้าคนสองคนคนนีน้กับคนนี้มีพยาบาทกันทีนี้คนนี้ พยาบาทอยู่เขาก็ยังมีความเลวอยู่ด้วยคนนี้เป็นลูกหนี้คนนี้ตีหัวคนนี้นะคนก่ตีหัวคนขอคนขอก็เลยคิดพยาบาทคนกอการพยาบาทอยู่นั้นคนขอก็มีบาปบาปที่ตัวเองมีจิตทุจริตจิตอกุศลจิตบาปก็จึงถืออยู่ เพราะฉะนั้นคนขอนี่ตีสมมุติว่าตีเขามีบาปร้อยหน่วยคนกอตีคนขอคนกอมีบาบร้อยหน่วยคนขอก็พยาบาทคนกออยู่อีกบ้างในขณะที่คนขอผู้ถูกตีเนี่ยพยาบาทอยู่สมมุติว่าห้าสิบหน่วยถ้าร้อยหน่วยมันก็ต้องไปแก้ทันทีใช่ไหมนี่มันห้าบหน่วยได้โอกาสเองเมื่อไรฉันก็จะสะคืนละคนกอนี่ก็เลยถูกแบ่งบาปไปห้าสิบ ฟังให้ดีนะอันนี้ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรนี่อธิบายให้ฟังเป็นสจัจจะคนกอนี่เลยมีแรงบาปอยู่ห้เพราะคนขอมาพยาบาทซะอีกห้าสบเลยแบ่งเอามาถ้าคนขออนุหมายความอาโหสินะเอาเลิกพยาบาทคนขอเป็นกุศลหมดคนขอไม่แบ่งพยาบาทไว้เลยไม่มีอ ก, กุศลอะไรเลยไอ้ไอร้รอยเมื่อกี้นี้ที่วางข้าไว้เต็มเนะยโยที่ในกอรอยเลย พอเข้าใจไหมถ้ายกตัวอย่างนี้ใน ก, ก็เลยแบกเอาบาปตัวเองไปคืนร้อยเต็มไม่ได้หมายความว่านายข อ, อนี่อโหสิแล้วสมมุติว่านายขอเป็นอรหันต์แล้วอโหสิจริงก็หมดพยาบาทจริงคืนหมดเลยใน ก, ร ก, กรแบกบาปไปร้อยเต็มนายข อ, อนี่ก็มีร5 0หเลยเท่ากับโยนไอ้ไอ้นี่เข้เ า, เาไปให้คนนี้อีกเป็นร5 0ยห้าบเป็นบาปเป็นร5 0หบแอบเข้าไปอีก หนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเรื่องพวก น, นี้มันเป็นสภาวะซับซ้อนที่เราไปเป็นนา ม, มารรมที่เราคิดไม่ออกที่เรานนึกเห็นจริงไม่ได้เพราะท่านอนนั้นท่านี้ทําบาปได้ก็ไปขออนุไปขออโหสีกันเถอขออโหสีเถอะแล้วก็เราก็นึกว่าไอา้อโหสีมันง่ายง่ายมันก็ถอดถอนก็นไปเฉยเฉยไม่ใช่กรรมเป็นอันธรรมบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญ นะบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญเพราะนั้นถึงบอกว่าแม้เราจะไปขออโหาสิแล้วเขาก็อโหาสิให้พระอาหารหันต์ดันอโหาสิจริงแล้วก็หมายความว่าโอ้ทัดอโหาสิแล้วเราก็เลยหมดบาปแม้ยิ่งพิสูจน์ช่วยกันพิสูจน์สองคนเข้าได้เห็นชัดยิ่งหนักใหญ่เลยเพราะฉะนั้นไปทําบาปกับพระอาหารหันต์แล้วพระอาหารหันต์ได้ก็อโหาสิโอ้โหยิ่งได้บาปเป็นหนักกระเกา เราทึกได้ยินงมาไปทําบาปกับพระอริยะเจ้าก็ยิ่งบาปหนักพราท่านยิ่งอโหสิเท่าไร่เรายิ่งได้บาปหนักไม่ใช่ว่าหายไปจากบาปนะเขาตัวเองก็ได้เลยไปละสูงขึ้นละมากละไปทําบาปต่อพระอริยะที่สูงทเท่าไรเท่าไรก็ยิงยิงท่านอนโหสิเท่าไหรเราก็ยิ่งบาปมากเท่านั้นเพราะย่ําใจเท่านั้นเหมือนกับไปแกล้งคนที่เขาไม่ตบตีต่อ ก็ยิ่งหามยิ่งประมาทคือภัยจากพระอริย์แต่ว่าภัยที่ตัวเองตัวเองจะต้องไปเจอพอเคยไปทํากับพระอริยะได้ก็เลยนึกจะไปทำกับไปเจอกับไอ้ตัวที่เขาไม่ได้ถือไม่ได้เหมือนกับพระอริยะตอนนี้เราจะรู้สึกนั่นแหละอย่างนั้นแหละฮะนั่นแหละแล้วก็ย่ำใจไปทำกับคนอื่นไปทำกับเออคนอื่นแล้วจะทําแรงขึ้นกว่าเก่าโดยเพราะย่ำใจอ่ะ มันเป็นทับทวีเยรื่อยเรื่ยเรื่อยเ ร, ยเรยืบาปมันไม่มีที่สุดมันมีแต่เพิ่มมีแต่แรงเกินเก่าเกินเก่าเกินเก่ารูปรอยเนี่ยที่จริงที่ใช้อยู่ในโลกเนี่ยไม่ควรใช้การลดโทษลดอะไรจะได้นี่นึกว่าเป็นเป็นความดีที่จริงมันเป็นอะไรดูไหมมันเป็นเล่ยอันหนึง่งการลดโทษให้คนนั้นคนนี้นี่นะ มองโดยสายตาของโลกว่าทันใจดีท่านอาับยแต่แท้จริงเป็นการทำลายคนนั้นลงไปยิ่งขึ้นทำลายยิ่งขึ้นแต่ว่าผู้ที่ลดโทษให้เนี่ยได้ได้ได้คะแนนเสียงได้รับความสนเสรญยกย่องจากคนอื่นๆทั่วไปได้คะแนนส่วนหนึ่งคะแนนเสียงอันนั้นแต่แท้จริงแล้ว คนที่ได้ถูกรับยกย่องเอ้คนที่ได้รับลดโทษนั่นแหละถ้าคิดกันอย่างลึกซึ้งด้วยกรรมวิบากเป็นตัวอะไรแต่ไรนี่นะหลักคิดในพงนี้นะซับซ้อนมากที่สุดเลยนะจะพูดให้ฟังตอนนี้คิดๆออกมาได้หรือเห็นออกมาได้อันหนึ่งก็คือว่าไอ้ที่เขาได้สันเสริญออกมานั่นนะเป็นส่วนได้ที่ผู้ที่ไปเอาสันเสริญมาสมมติว่าอาภัยคนนี้ไป อภัยคนนี้ไปเอาละลดโทษคนนี้ไปการผู้นี้มีสิทธิ์แล้วก็ทําให้ลดโทษคนนี้ลงไปเนี่ยได้คะแนนเสียงจากคนอื่นอื่นมาคะแนนเสียงที่ได้มานะเท่ากับคิดเป็นมวลหรือเป็นเนื้ออันหนึ่งไอ้ที่เราได้จากคนอื่นเท่าใดคุณให้คะแนนผู้นี้มาคะแนนต่างๆเหล่านี้คนนั้นรับไปทั้งหมดนี่มันเป็นนามธรรมามันไม่ไปเป็นรูปธรรมยิ่งขาดทุนมาหาศาลเลย นี่แหละลักษณะเดียวกันกับว่าเมื่อไปทํากับพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านอภัยท่านได้รับความนับถือจากประชาชนจากคนอื่นอีกมากเพราะท่านอภัยโอ้ท่านอภัยเนาะนะท่านไม่ถือสาเยิ่งได้มากเท่าใดนั่นแหละยิ่งเป็นค่าที่เป็นบาเวยของคนที่ได้รับอภัยนี้ถมลงไปอีกไม่นักวิจิกรรมยิ่งกายกรรมก็ยิ่งหนักมากขึ้น หยาบมากขึ้นอแน่นอนรับวิบากหนักขึ้ น, แ, น, น, น, น, นแต่ในหลักของปรมาจาแล้วถือว่าจิตเนี่ยตัวร้ายตัวหนักมากตัวหนักมากมันย้อนกันถ้าประมาจาแล้วโดยพระอริยเจ้าแล้วจิตเป็นตัวที่ยิ่งมีวิบากหนักที่สุดหนักที่สุด กากายกรรมกับวัวจีกรรมถ้าโดยพระอริยะพอชั้นสูงแล้วกลับกันจะต้องเห็นว่าวัาวจีกรรมมโนก า, กายกรรมนั้นก็ยังเป็นสภาพที่เรียกว่ามันเกิดแล้วมันเป็นอยู่ที่ห้ามยังไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนั้นก็ยังต้องอภัยฟังคำอธิบายต้องอภัยอภัยตนสำหรับพระอริยะต้องรู้สึกอย่างนั้นต้องอภัยตน แต่ถ้าเป็นตัวจิตเองแล้วนักถือว่าหนักมากมันยังไม่เกิดเลยยังไม่เป็นแล้วเราเอ้ไม่สร้างให้มันเกิดนี่ตัวนี้แหละตัวร้ายกาศที่สุดพระอริยเจ้าต้องเห็นตัวนี้เลยไอ้ตัวนั้นมันไปนเกิดแล้วมันชินแล้วมันเป็นแล้วจึงมาเกาอวจีจึงมาเ ก, ก่อกายเพราะว่ากายกับ ว, วัจีเกิดจากจิตมาเป็นต้นถ้าไม่มีจิตกายกับ ว, วจีจะออกไปไม่ได้จะเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีแล้ว พระอริยเจ้าจึงต้องอภัยกายกับวจีแต่จิตที่ยังไม่เกิดเลยโกิดใส่ตัวเองอีกตัวนี้บาปมากหนักมากเป็นวิบากหนักใหญ่นี่อธิบายให้ฟังเป็นสองในแต่โดยรรมแล้วโดยธรรมดาแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องคิดคุณจะมาเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงแล้วคุณยิงจะคิดอย่างที่ว่าตอนหลังนี้คุณจะต้องเห็นว่ากายกรรมวจีกรรมนั่นแหะเป็นบาปใหญ่เพราะมันสัมพันธ์กับคนอื่นๆต่อไปหมด อเอามหาจตารีสกสูตรมาลองทำ40เชิงซ้อนอสมาธิพุทธ40เชิงซ้อนนีน่เป็นชื่อหนังสื อ, อมหาจตารีสกสูตรที่เรากำลังทำกันอยู่พอออกมาแล้วบอกสมาธิพุทธ40เชิงซ้อนนี่คือชื่อหนังสือนะอแล้วเราก็จะได้ประกาศอั น, น, น, นอละพอดีกับเวลาแล้วก็พอกันก่อนสาธุ